ตอนที่สี่สิสี่ล้วนเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นหลังจากเด็กสาวทั้งสองเดินเข้ามาในร้านเมื่อซูมานอินมองเห็นหน้าตาของพวกนางชัดเจนแล้วในที่สุดก็นึกออกมีใช่ว่า น, นี่คือเพื่อนร่วมชั้นของโจเ ว, วกัวหรอกหรือซุนเสียวเซี้ยวเองเมื่อเห็นซูมานอินก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันคุณนะท่านไม่ใช่คนที่ขายโรจี๋ห ม, มูอยู่ที่โรงงานทอผ้าหรอกหรือเปิดร้านได้รวดเร็วถึงเทียงนี้เชียวเพื่อนนักเรียนความจำดีเสียจริงซูมานอินเอ่ยชมประโยคหนึ่ง ที่แท้เจ้ากับเซาเจียก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันหรอกหรือเซาเจียเจ้าจักรู้จักโจว้ยกัวหรือไม่จางเซาเจียพยักหน้ารู้จักครับน้ซูมีอะไรหรือครับหากนับตามลำดับอาวุโสแล้วเขาต้องเรียกข้า ว, ว่าญาทั่วเชียวนะซูม่านอินกล่าวกลัวหัวเราะเอาเถอิดในเมื่รู้จักกันหมดแล้วก็รีบนั่งลงเถิดวันนี้ร้านของนาเปิดวันแรกนะ้ขอเลี้ยงพวกเจ้าเองน้าซูทําเช่นนี้จะดีหรือครับจางเซาเจียเกาศีรษะด้วยความขัดเขิน ข้าตั้งใจมาหาแม่มีได้จะมาขอทานฟรีเสียหน่อยวางใจเถิดนะ้ายังพอเลี้ยงพวกเจ้าไหวซูมานอินกดไหล่ให้จางเศร้าเจียนั่งลงประจบเหมาะพอดีถือเสียว่าฉลองที่พวกเจ้าเปิดเทอมคุณนะ้าเอาเถิดหากเจ้ารู้สึกเกรงใจจริงๆยามว่างก็ค่อยมาช่วยงานที่ร้านเช่นนี้ตกลงหรือไม่ซูมานอินรู้ดีว่าจางเศร้าเจียนั้นรู้ความเกินไปและไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นนางจึงเอ่ยเช่นนี้ออกไปจางเศร้าเจียรีบรับคำอย่างกระตือรือร้อนทันที ตกลงครับขอเพียงข้ามีเวลาว่างข้าจะมาช่วยงานแน่นอนแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทิ้งการเรียนนาซุนเสี่ยวเซียนนึกไม่ถึงว่าคำเตือนที่นางกำลังจะเอ่ยออกมานั้นกลับถูกซูม่านอินชิงพูดไปเสียก่อนซูม่านอินเดินกลับเข้าไปในห้องครัวเพื่อบอกกับจางช่วยฮวาเรื่องที่จางเศร้าเจี๋ยพาเพื่อนร่วมชั้นมาหาช่วยฮวาเจ้าจะออกไปทักทายเศร้าเจี๋ยกับเพื่อนเพื่อนหน่อยหรือไม่ข้าไม่ไปดีกว่าจางช่วยฮวาเอ่ยอย่างเก้อเขินในครัวยุ่งถึงเพียงนี้ข้าควรจะ ในครัวมีข้าอยู่ทั้งคนซุนจิวหลิงเอ่ออย่างใจกว้างไปเถิดที่สะพายขณะที่จางชุยฮาวากาลังลังเลอยู่นั้นจางเศร้าเจียกลับพาเพื่อนร่วมชั้นเดินมาที่ห้องครัวเพื่อมาหานางด้วยตัวเองนี่คือแม่ของข้าครับแม่ครับนี่เพื่อนร่วมชั้นของข้าสองคนสวัสดีข่าคุณนะเพื่อนนักเรียนหญิงทั้งสองทักทายจางชุยฮาวายอย่างกระตือรือร้นจางชุยฮาวาเองก็ตอบรับอย่างอบอุ่นเช่นกันเศร้าเจียในครัวควนน้ามันเยอะรีพาเพื่อนออกไปนั่งเถิดประเดี๋ยวอาหารก็จะได้แล้ว ครับแม่ใบหน้าของจางเศร้าเจียเต็มไปด้วยความสดใสทั้งยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจฉายชัดออกมาคุณน่าเก่งจังเลยค่ะทำอาหารมากมายขนาดนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นสิคะเมื่อครูค่าด้กลิ่นแล้วอาหารจานนั้นหอมมากเลยคะ่ะเมื่อได้ยินคนชมตนเองจางชุยฮวาก็ยิ้มกว้างจนปากแทบจะถึงใบหูเออน้าสะใภ้เพื่อนนักเรียนหญิงคนนั้นใช่คนที่ใช่พวกนางก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของโจ้ยกัวเช่นกัน ซูมานอินลอบถอนหายใจล้วนอยู่ห้องเดียวกันครูคนเดียวกันแต่ลูกศิษย์ที่สอนออกมากลับไม่เหมือนกันเลยเมื่อนึกถึงการกระทําของโจเ ว, วกัวในวันนั้นซูมานอินก็อดที่จะทอดถอนใจออกมาไม่ได้ถึงได้บอกอย่างไรแล้วว่าพ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดของเด็กหวังว่าเมื่อเขาเข้ามาหาวิทยาลัยไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างนะในขณะนั้นเองหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของโจเ ว, วกัวอย่างหวังเก้ฮาก็จงใจขี่จักรยานอ้อมมาที่หน้าประตูร้านอาหาร เมื่อเห็นป้ายหน้าร้านที่สีสันสดใสสะดุดตาและเห็นลูกค้าที่นั่งกันจนเต็มร้านความริษยาในใจของนางก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นผ่านไปเพียงสองเดือนนางก็เปิดร้านอาหารได้แล้วหรือต้องเป็นเพราะใช้เงินชดเชยแน่แน่แน่พอนึกถึงตรงนี้นางก็รู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาหากเงินก้อนนี้อยู่ในมือนางด้วยฝีมือการทำอาหารของนางกิจการย่อมต้องรุ่งเรืองกว่านี้เป็นแน่ไม่ไดการจะปล่อยให้พวกนางอยู่อย่างสุขสบายเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาด วังเกวหาเหลือไปเห็นชายหนุ่มสองคนที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างร้านอาหารพันประกายแห่งแผนการร้ายก็วาบขึ้นในดวงตาของนางหลังจากเพื่อนร่วมชั้นทั้งสาทานอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็ช่วยเก็บจานชามอย่างมีมารยาทวางลงเถิดพวกเจ้าต้องกลับไปเรียนหนังสืออย่าได้ไปสายเชี่ยวซูมานอิมรีโ บ, บกมือห้ามและบอกให้ฉินเสี่ยวเยเว่รีบเข้ามาจัด ก, การแทนท่านอิ่มกันหมดแล้วใช่หรือไม่อิ่มมากเลยค่ะข้าทานจนภูมิกางเลยค่ะ เด็กสาวทั้งสองมีสีหน้าสดใสาจางเศร้าเจเอ๋ยขอบคุณอีกครั้งขอบคุณครับนะซูหากมีเวลาว่างข้าจะมาช่วยงานแน่นอนครับพวกเราก็จะมาด้วยค่ะดีๆพวกเจ้าล้วนเป็นเด็กดีรีไปเถิดทั้งสามคนเดินจากไปได้วยความดีใจแต่ก็ไม่ลืมที่จะวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อบอกลาจางช่วยฮวาและซุนจิวหลิงอีกรอบหนึ่งจากนั้นจึงผลักประตูขี่จักรยานจากไป เมื่อมองตามแผ่นหลังของทั้งสาคนที่ขี่จักรยานพูดคุยหัวเราอ ก, กันไปตามถนนใต้ร่มไม้สูม่านอินก็รู้สึกเป็นครั้งแรกว่าวัยเยาวชงดีเหลือเกินหากตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องท่ายฉักนี้เก็บไว้ได้ก็คงดีไม่น้อยขณะที่นางกำลังเคลือเพิ่มอยู่นั้นพลันมีเสียงที่ไม่รื่นหูอย่างยิ่งดังมาจากในร้านนี่น่าหรือโรเจียหมูนี่มันหมูเจยรโรชัดชัดแถมยังขายตั้งสองเหมาต่อชิ้นล้นกันชัดชัด ซูมานอินหมุนตัวกับเข้าบ้านก็เห็นวัยรุ่นสองคนกําลังกัดโรคเจี๋ยห ม, มูไปพางชี้หน้าตะคอกใส่ฉินเสี่ยวเยี่ยวไปพลางเมื่อฉินเสี่ยวเยเ่เห็นซูมานอินเข้ามาก็รีบหลบไปอยู่ข้างหลังทันทีสหายท่านนี้มันคือการสลับลําดับคำนะจ๊ะความหมายก็คือเนื้อที่สอดเสีอยู่ในหมูลูกค้าผู้หวังดีคนหนึ่งช่วยอธิบายแต่กลับทําให้วัยรุ่นทั้งสองโมโหหนักกว่าเดิมอวดเก่งนักนะทาไมมีความรู้หน่อยแล้วคิดจะวางมาดเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไง ผู้จบเวรุ่นคนนั้นก็คว้าม้านั่งขึ้นมาเตรียมจะลงมือซูมานอินถกแขนเสื้อขึ้นเตรียมจะพุ่งเข้าไปทะว่ากลับมีร่างผอมบางร่างหนึ่งถลาออกมาคว้าข้อมือของวัยรุ่นคนนั้นไว้หมับหลี่ซื่อเ อ, อ๋อแกอยากตายหรือไงเชีย่ยใครวะที่กล้าหลี่ซื่อเอ๋อบทด่าพลางหันไปมองพอเห็นว่าเป็นคนรู้จักท่าทีก็เปลี่ยนไปทันควันที่ยงเชียงนี่เองทําไมพี่ก็มากินข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอครับ ซุนยงเฉียงยิ้มเย็นแย้งมา้านั่งมาวางลงบนพื้นก่อนจะล้วงกระเป๋าทั้งสองข้างแล้วนั่งลงอย่างสง่าผ่าเผยทำไมข้าซุนยงเฉียงจะกินข้าวที่นี่ต้องขออนุญาตเจ้าด้วยหรือไงหลี่ซื่อเออรี่ขอโทษขอโพยไม่ครับครับคือพี่ยงเฉียงเชิญกินตามสบายเลยครับพวกผมขอตัวก่อนหลี่ซื่อเอ๋อส่งสายตาให้พักพวกแล้วพากันวิ่งหนีออกจากร้านอาหารไปอย่างลนลาน ซูมานอินไม่คาดคิดว่าจะมีคนยื่นมือเข้าช่วยเพียงแต่เจ้าหนุ่มคนนี้เหตุใดถึงดูคุ้นหน้านักนะเขาไงละ่ะชินเสียวเย่เว่ยดึงแขนซูมานอินแล้วกระซิบบอกคนที่เคยแซงคิวพวกเราไงซูมานอิ น, นึกออกทันทีนางยิ้มพลางเดินเข้าไปหาแล้วกล่าวขอบคุณขอบใจเจ้ามากนะน้องชายพี่สาวท่านพูดแบบนี้ผมก็อายแย่สิครับซุนยงเฉียงลุกขึ้นยืนแล้วพยักหน้าให้ซูมานอิน ถ้าตอนนั้นไม่ได้ทันช่วยพูดขอร้องไว้ผมคงต้องเข้าไปนอนในคุกแล้วเฮ้ <He> ard, เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยซูมานอินเห็นว่าเขาดูผอมลงกว่าคราวก่อนจึงเอ่อชวนอย่างกระตือรือร้นยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมนั่งลงสิวันนี้พี่เลี้ยงเองเออจะดีหรือครับผมเกรงใจจังซุนอวิเฉียงเกาหัวด้วยท่าทางเขินอายต่างจากท่าทางดุดันเมื่อครู่อย่างสิ้นเชิงเจ้าช่วยพี่ไว้พี่เลี้ยงเข้าเจ้าสักมื้อก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือนั่งลงเถอะ ซูมานอินยกมือขึ้นตบไหล่ซุนอวิเฉียงแล้วกดตัวเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้เมื่อได้สัมผัสถึงพลังกำลังของซูมานอินอีกครั้งซุนอวิเฉียงก็ยังคงรู้สึกตกใจอยู่ดีเขาเลื่อมสายนางจากใจจริงแล้วไม่นานนะักเกี๊ยวร้อนๆนหนึ่งจานกับผัดผักอีกอย่างก็ถูกยกมาวางบนโตะ๊ะซุนยงเฉียงคีบเกี๊ยวชิ้นหนึ่งเข้าปากรสชาติของไส้ผักกาดดองผัดน้ำมันอันหอมกรุ่นพแผ่กระจายไปทั่วทั้งปากเขาเคี้ยวไปพลางน้ำตาก็ไหลพรากออกมาอย่างกระทันหัน เป็นอะไรไปไม่ถูกปากเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ซูม่านอินเห็นผู้ชายกินเกี๊ยวไปร้องให้ไปที่สาวผมผมมันไม่ใช่คนผมทำผิดต่อท่านจริงๆครับ